สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากนะแต่ว่าอยู่แบบตันีทีเหนียวข้าวก็กินแบบจำกัดจำเกียร์กินข้าวปลายหักเสื้อผ้านี่ก็ปูป่าแล้วปูป่าอีกนะ แล้วก็ไม่ค่อยจ ะ, ะเผื่อแผ่บริจาคให้ทานหรือว่าช่วยใช้เงินนั้นเพื่อการเลี้ยงดูลูกหลานให้มีความสุขพอตายก็ไม่มีทายาทนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ตกเป็นของหลวงนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีธรรมเนียมแบบนี้นะ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 ก็จะไม่มีคนรับมรดกพอพระสุทินก็มาบวชตั้งแต่ยังหนุ่มทายาิก็ไม่มีพ่อแม่ก็เลยบอกให้พระสุทินศึกมามีมาแต่งงานพระสุทินก็ไม่ยอมเพราะว่าตั้งใจบวชอย่างมากกว่าจะบวชได้นี่ก็ต้องอดอาหารนะ ทวงพ่อแม่เนะ่ยจนกทั่งพ่อแม่ยอมให้บวชอันนี้พอพระสุธินไม่ศึกเนี่ยทายัางไงแม่ก็บอกว่าถ้าไม่ศึกแล้วเกิดแม่ตายไปพ่อตายสมบัติก็ต้องตกเป็นของหลวงถ้าพระสุธินไม่ศึกก็หาทายาทให้แม่ก็แล้วกันพระสุธินก็อยากจะอยู่ในผ้าเหลืองนานๆก็เลยยอมไม่ศึกก็ไม่ศึกนะไม่ศึกก็ได้ แม่บอกแต่ว่าให้หาทายาทมาให้แม่เพระส่ธินก็เลยยอมยอมเสพกามนะก็เพราะว่าตั้งใจนะที่จะรักษาชีวิตพระเอาไว้แต่ปกติการเสพกามนั้นก็ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมันผิดสมัยนั้นยังไม่มีอ่ การกําหนดเป็นสิกขาบทว่าการเสดเมทุนเป็นปลาราชิกนะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่านักบวชนี่ก็จะต้องะเว้นจากการเสดเมถุนพอเรื่องนี้ไปทราบถึงพระพุทธ เ, เจ้านะพระพเจ้าก็เลยตําหนิต่อว่าแล้วก็เลยเป็นที่มาของปฐมปาราชิกนะ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 ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะที่ต้องจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์นะเพราะเป็นที่มาของปฐมปา ร, ปริกแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งเมียของพระสุทินนยและลูกเนี่ยภายหลังทั้งสองคนก็ได้เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์เมียก็เป็นภิกษุณี มาบวชเป็นพิกษุน้ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ลูกก็มาบวชก็เป็นพระอาหารหันต์ในแง่นี้ก็เรียกว่าพระสุทินก็ได้ทำคุณประโยชน์นะในความผิดพลาดของพระสุทินด้วยความไม่รู้นี่ก็มีประโยชน์ต่อศาสนาทำให้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นสองคนอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังแต่ประเด็นที่จะพูดในช้านี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพระสุทินโดยตรงนะ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 เลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขด้วยแล้วก็รู้จักเอาทรัพย์นั้นมาเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นให้เกิดประโยชน์เช่นเลี้ยงสมณชีพรามบำรุงสมณชีพรามหรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการใช้ทรัพย์อย่างผู้มีปัญญามีแล้วไม่ใช้มีแล้วอดออมแบบกระเบือกเกษียณเนี่ย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 ัมันก็จะการเป็นตัวขัดขวางความเจริญงอกงามในชีวิตมันมีธรรมะมวนหนึ่งนะผู้เจ้าพูดถึงเรื่องของการมีอายุยืนยาวเรื่องอายุวัฒนธรรมอายุวัฒนะแล้วก็ธรรมะเกี่ยวกับอายุวัฒนะก็มีสองในห้าข้อคือว่าเนี่ยให้รู้จักทาตนให้มีความสุขสบายพุธนะศานาไม่ได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 อันนี้เรียกว่าตายเร็วเพราะสบายมากไปไม่รู้จักประมาณในความสบายนะสบายแล้วก็ต้องออกกำลังกายนะต้องทำโน่นทำ น, น, ทำนี่แล้วก็ต้องไปไม่ให้บริโภคนะมากมายเกินไป ไอ้เรื่องรั์ก็เหมือนกันนะซั์นี่มีประโยชน์นะแต่ว่าก็อย่าไปอย่าไปติดในรับนะต้องถือว่าซับนี่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้เกิดความสุขแล้วก็ใช้ซั์นั้นเพื่อทำให้ผู้ืมีความสุขสุขแล้วยังไม่พอนะสุขก็ต้องเอาความสุขนั้นมาใช้ในการพัฒนาจิตให้เจริญงอกงาม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 ในชาพุตตการก็มีเศรษฐินีคนหนึ่งนะชื่อนางกาติยานีก็รวยมากวันหนึ่งได้ข่าวว่ามีพระอรหันต์ท่านหนึ่งนะชื่อพระสณนะกลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมโยมแม่โยมแม่ก็เลยจัดให้มีการแสดงธรรมในตอนค่ำคืนนาง ก, กาติยานีก็ก็ไปฟังธรรมพระสนะก็แสดงธรรมนะ อย่างไภเราะแล้วก็อย่างลึกซึ้งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะจนดึกมันก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้ว่าชาวบ้านจะไปฟังธรรมก็เลยฉชว์โอกาสเนี่ยนะไปขึ้นบ้านนางกาติยานีในขณะที่นางกาติยานีไปฟังธรรมโจรนี่ก็มีหลายคนนะ ตามเรื่องก็ว่าเป็นร้อยเลยแหละไปขึ้นบ้านแล้วก็ลักทรัพย์เอาคนทรัพย์สมบัติไปส่วนหัวหน้าโจนเนี่ยก็คอยดักคอยเฝ้านางกาติยานีไว้อยู่ข้างนอกศารลาเพื่อว่าถ้าเกิดนางกาติยานีเนี่ยเกิดไหวตัวหรือว่าเกิดรู้ข่าวแล้วก็จะมารักษาปกป้องทรัพย์ หัวหน้าตวนก็จะจัดการฆ่าเสียเลยนะเพื่อให้แผนกลางตัวเองสำเร็จในหลานที่มีการขนทรับเนี่ยนะคนใช้หรือนางทาสีเนี่ยก็รู้ข่าวนะอยู่ในเหตุการณ์ก็คงไม่กล้าไปขัดขวางโดยตรงเพราะว่าโจรเยอะก็เลยหนีไปแอบไปบอกนางกาติยานีระหว่างที่กำลังฟังธรรมอยู่ว่ามีโจรมาลักทรับแล้ว นางเกียกาเตียนี้ได้ยินนะก็ไม่สนใจนะบอกว่าอย่ามารบกวนฉันนะฉันกําลังฟังธรรมนะโจนมันจะขนก็ขนไปนะนะเพราะว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นโอกาสสําคัญมากนางกาเตียนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ห่วงทซั์นะก็มีความห่วงใยซับนะแต่เห็นว่า ตอนนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยนะการฟังธรรมเป็นโอกาสที่ฟังได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฟังธรรมก่อนส่วนทรัพ์นี่มันจะจะหายไปยังไงก็ก็ช่างมันนะจึงปรามรามนางทาสีว่าอย่ามารบ ก, กวนฉันนะฉันกำลังฟังธรรมจนมันจะขนทรัพ์ก็ช่างมันหัวหน้าโจรได้ฟังก็ ประหลาดใจนะทีแรกคิดว่านางกาติยานีเนี่ยจะพุนผันไปไปปกป้องรักษาทรัพย์นะแต่กลับไม่สนใจเพราะเห็นแก่ธรรมะในแง่หนึ่งก็เกิดความแปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมือนใครนะอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าธรรมะนี่มันคงจะมีความสำคัญมากนะถึงขนาดนางกาติยานีเนี่ยกล้าที่จะยอมที่จะสลับทรัพย์นะเพื่อธรรมะ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 สุท้ายเนี้ก็ลงเอยด้วยว่าหัวหน้าโจนนี่ก็บอกให้ลูกน้องนี่เอาทรัพย์สมบัติไปคืนแล้วก็หัวหน้าโจนนี่ก็ถึงกับนะมาบวชนะมาบวชนะเพราะว่าเกิดศรัทธาในธรรมนะของพระพุทธเจ้านะที่พระสนะได้แสดงและในสุดเนี่ยทั้งหัวหน้าโจนที่บวชพระแล้วก็ลูกน้องซึ่งบวชพระเหมือนกันเนี่ยในสุดก็บรรลุธรรมนะ เป็นพระรหันต์อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จะมาเล่าเพื่อชี้เห็นว่าในทางศาสนาเนี่ยแม้ถือว่าทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรจะใช้นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างทซั์กับธรรมะเนี่ยก็ควรที่จะสละทรัพย์เพื่อธรรมะนะแต่คนทุกวันนี้เนี่ยนะ อ่าเห็นตรงข้ามนะคือพอมีทรัพย์มากก็ยึดติดในทรัพย์แล้วก็เห็นว่าทรัพย์มีคุณค่า ม, มากกว่าธรรมะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนางกาติยานีเนี่ยเชื่อว่าเกือบจะร้อยท่องร้อยคงจะไม่เอาแล้วธรรมะไม่ฟังแล้วคงจะรีบผลุนผันไปอ่าไปไปรักษาซับนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงตายเพราะว่าหัวหน้าโจรนี่ นะรอแล้วนะรอที่จะจัดการนะถ้าเกิดว่ากระตกกระตากไปถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าธรรมะก็ไม่ได้ท ร, รัพย์รรก็ไม่มีโอกาสเพราะตายซะก่อนนะแต่นางกาตียานี่เป็นคนฉลาดนะเมื่อถึงเวลาต้องเลือกก็เลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์คนเรานี่มันก็มันก็จะมีโอกาสบ่อยครั้งที่ต้องเลือกนั่นระหว่างธรรมะกับทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสถานการณ์แบบเดียวกับ น, นางกาตียานี แต่ตัวอย่างง่ายๆคือว่าเห็นเห็นเงินเห็นทองของคนเนี่ยนะมันวางอยู่บนโต๊ะเงินนี่หลายหมื่นอาจจะเป็นทองนะหลายบาทนะหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องขนายดแค่แค่โทรศัพท์เนี่ยเห็นมันวางอยู่บนโต๊ะนะหรือว่าวางอยู่ในที่ที่ไม่มีเจ้าของ หลายคนเนี่ยก็จะเลือกเนี่ยเลือกที่จะเอาทรัพย์เหล่านั้นคือขโมยนั่นแหละถ้าในที่รู้ว่าขโมยเนี่ยนะมันผิดศีลนะแต่ไม่สนใจละศีลเสริงนะกูจะเอาอ่ะคนคนจานวนมากเป็นอย่างนั้นนะเลือกทรัพย์มากกว่ามากกว่าธรรมะบางทีมีสมบัติของส่วนรวมเห็นอยู่ใกล้ตัวนะ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 เป็นข้าราชการหรือพนักงานก็ติดต่อกับพ่อค้าเขาจะให้เงินใต้โต๊ะนะก็เอานะก็รู้นะว่าผิดศีล ร, รว่ามันบาปก็ยังทำอย่างนี้แล้วว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะนะสมัยนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่ยั่วยุให้คนเนี่ยนะทำผิดศีลมากทีเดียวนะมันมีตลอดเวลานะ แล้วคนส่วนใหญ่ก็เรื่องที่จะเอาผิดผิดศีลผิดธรรมนะเพราะว่าเห็นแก่ทรัพย์เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนฉลาดเนี่ยนะก็จะเลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์เห็นของมันอยู่ตรงหน้ามันยั่วยวนใจไงก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าไม่คุ้มนะคนฉลาดรู้ว่าไม่คุ้ม <c oughs> เอาไปแล้วเนี่ยนะ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 นะแต่ว่าลงเอ่ยด้วยการที่ติดคุกเงินก็ก็ต้องคืนเข้าไปหรือไม่ติดคุกก็เสียหน้าเสียชื่อนะและมีนําซ้ำยังมีอาจจะมีนรกรอยอยู่ข้างหน้าก็ได้นะถึงแม้จะไม่มีใครรู้ตำรวจจับไม่ได้เจ้าราพัพ์ก็หาดมกลิ่นไม่เจอนะแต่ว่าก็เจอนรกในภพหน้า ที่จริงนรกอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ตายก็ได้เกิดความร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะเกิดความหวาดกลัวเกิดความเราแวงว่าเจ้าทรัพย์ก็จะรู้ตำรวจจะจับได้เงินแต่ว่านอนไม่เป็นสุขนะอันนี้เราไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าผิดธรรมผิดศีลยิ่งเงินออกไปนี่ไม่กี่บาทนี่โอ้ยิง่งไม่คุ้มเลยนะ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 เสร็จแล้วตัวเองเนี่ยบ้านก็ถูกขโมยบางทีถูกยึดรถดนะรถนี่มันหลายแสนนะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากการที่ต้องใช้กรรมเพราะว่าไปลักทรัพย์หรือว่าไปชักดาบเอาไวน้นะมื่อคิดดูไม่คุ้มเลยคือถ้าถ้ า, ากว่าทําผิดรรมแล้วเนี่ยนะมันต้องเกิดวิบากนะเราต้องชดใช้มากกว่าเงินที่ตัวเองขโมยไป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 แล้วในสุดก็ต้องชดใช้ด้วยด้วยทรัพย์ด้วยเงินที่มากกว่าไอ้ที่ได้มาหลายเท่าแล้วก็อาจจะตามไปชดใช้นี่นะถึงชาติหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แม้ว่าทรัพย์มันจะมีประโยชน์นะแต่ว่าเราก็อย่าอย่าถึงกับนะติดในทรัพย์นะจกนกระทั่งเลือกทรัพย์แล้วก็ทิ้งธรรมะไปเอาละชาวนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้อ่ะ